ร่างกายตลอดเจ็บจนตาปอดแทบแตกกระจายทุกครั้งที่มีปัญหาด่าฉันชั่วช้ายากายเหมือนวัวเหมือนควายถึงอายก็ทน ต, ตอนเธอจีบฉันชอบกันไม่มา เธยเห็ุใครเสียใจสักคนไปใจก็ไปน้วกันแค่มาเอาฉันเธอก็ปนไล่เตะมาจนวิ่งหนีกระเจิดเพเป็นของเก่าบ่เห็นคุณค่าหยิกนิด บาจีนาดาเปิ้งอย่าไม่บอเคยโตเทียงฉันหวังแค่เพียงพายุเพิงในใจที่เลิ่งของเธอลอดลอยอมอยู่ตายเท้าเธอมาตลอดวอนเธอคือทอดถึงจุดประสงค์ s o r n g p o r พอเป็นของเก่าบ่เห็นคุณค่าหยิกนิดคือบาชีหน้าดาเปิรยอมให้บัเคยโตเทียงฉันวังแค่เพี ก่นเธอคือทอดถึงจุดประสงค์เป็นอย่งฉันจึง อ, อนทนก็ย้อนเหตุผลหางมันง่นคงขอใจเธอจงสงสารฉันบ้าง